ช่วงนี้หลวงพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันน ะ, ะภาระธุระหลายอย่างเกือบจะว่าไม่ได้อยู่วัดถ้าว่าไม่คิดห่วงหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็คงไม่ลงมาวันนี้ผู้มาใหม่ก็มีโอกาสน้อยเวลาน้อยที่เข้ามาอยู่วัดควรจะให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์กฎระเบียบธรรมเนียม ของวัดวาศาสนาของครูบาอาจารย์แต่ละวัดท่านทำอย่างไรองพอก็เลยไ ด, ไดย้ลงมาวันนี้วันเมื่อวานก็ออกไปตอนบ่ายแล้วก็เมื่อคืนก็มีการประชุมกันตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มกว่าเมื่อคืนประชุมสองเรื่องเรื่องมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วก็ ประชุมเกี่ยวกับสถานีวิทยุการบริหารสถานีวิทยุบริหารกันยังไงเพราะทั้งหมดมันมีอยู่ร้อยสิบเ็ดสถานีทั่วประเทศมเมช้าเนี่ก็การสวดมนต์เชา้าถวายประธายเข้าเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดกว่าจะเสร็จได้ก็สายพอสมควรฉะนั้นออกมาแล้วครับ มาลําลึกได้วะท่านเจ้าพคณะจังหวัดนองบัวลำพูท่านมรณะภาพเมื่อปีที่แล้วจะมีการประชุมพระราชทานเพลิงในวันนี้ก็เลยเออท่านก็เตียงบาเคียงไหลในการหาทุนโครงการช่วยชาติกับพวกเราท่านเจ้าคุณนองบัวลำพูเน่ยวันนี้ก็เลยไปทางนองบัวลำพูอีก พอยังไม่ได้ไปชุมเพลิงนะพอวางดอกไม้จันฝากดอกไม้จันแล้วก็กลับออกมามาถึงวัดกับค่ำค่าพอดีในวันนี้นี่แหละภาระธุระของหลวงพ่อระดับหัวหน้าระดับสมภารเจ้าวัดจะไปไหนจะทำอะไรไมันต้องได้คิดหมดความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรทีท่านทีเราทีเขาทีเรา เราจะเอาแต่ทีเราอย่างเดียวสบายเราอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องคิดถึงเผื่อไว้ว่าเมื่อเผื่อท่านแล้วก็เผื่อเราเพราะพระสงค์ต้องอาศัยการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะต้องมีพักมีพวกไปอยู่ด้วยกันต้องการความพร้อมเพียงสมัคคีเรื่องการล้มการตายเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะตายเพียงครั้งเดียว ไม่กลับมาตายอีกเพราะงั้นกลับมาตายเกิดชาติหน้าหลงลืมกันไปแล้วแต่ชาตินี้ตายเพียงครั้งเดียวเห็นกันเพราะนั้นถึงจะลำบากยังไงก็ต้องไปจัดการพระราชทานเพลิงซะประชุมเพลิงซะที่ควรรู้จักมักคุนกัน น, นี่แหละเพื่อใครผู้ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วแต่พวกที่ยังไม่ตายพวก พี่ีน้องนาา้องลูกลูกหลานล้านคณะศรัทธาญาติโยมทีเขาทีเราต้องเลบดูมองให้ไกลวันนี้ก็จบผ่านลงมาจนถึงค่ำวันนี้นี่ะวันนี้ก็เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสองเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราประจำ มาโดยตลอดก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านทั้งฝ่ายพระก็ขอให้ดำรงทรงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินัยหลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องชี้บอกว่าพระองค์นั้นวัดวัดนั้นสงกลุ่มนั้นสงคณะนั้น สงนิกายนั้นจะเป็นพระที่ดีหรือว่ามีคุณภาพมีคุณธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยกับเรื่องเนี่ยเรื่องพระวินัยคือกฎระเบียบนยี่แหละเป็นบรรทัดฐานเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าว่าพระวินยัยรักษาพระวินัยเละเทะไม่อยู่ในกรอบทำอะไรตามใจชอบทำตามอ ำ, อำเภอใจ ทำตามอัธาใจอันนี้แปลว่าหลักธรรมวินัยก็ต้องละเรือนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะที่เข้ามาเป็นพระป่าพะรพะดงพระกรรมฐานให้ยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ให้เหนียวแน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเรื่องพระวินยัยเรื่องกฎระเบียบเป็นหัวใจ ในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์จากนั้ น, นท่านก็สอนให้เรื่องจิตภาวนาอนะไรแต่ท่านลุงส อ, น เ, อ, งส น, อนเรื่องศีลนเน้นเรื่องศีลกฎระเบียบการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันอย่าให้มีเรื่องราวอย่าให้ทะเลาะเบาแวงกันถ้าพวกเราทะเลาะเบาแวงกันทําทให้จิตใจขุ่นมัวจะภาวนาเนี่ยมันก็ขวางกันมันไม่ไหลมันไม่ไหลรื่น พอเหตุใดพอมันประวัติประวัติคิดไปถึงในเรื่องนั้นอยู่เรื่องทะเลาะกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นให้ระมัดระวังต่างคนก็ต่างระมัดระวังการกระทาและการพูดการพูดเนี่ยจำเป็นสำคัญอย่างมากในการพูดนะให้ระวังในการพูดทาระวังการพูดได้ดีแล้วนั่นแหละการทะเลาะว่าแว้งกันก่อ เป็นส่วนหนึ่งแหะแต่ว่าการกระทำานี่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะเหตุว่าพอ ก, การกระทำถ้าแสดงจริงจริงจึงจะรู้ได้แต่การพูดเพียงคำสองคำเท่านั้นน่ะมันบาดหูบาดใจเข้าไปเพราะนั้นให้ระมัดระวังการอยู่ด้วยกันเรามุ่งหวังอะไรเราเข้ามาบวชเรามีจุดมุ่งหมายอะไรให้ถามตนเองถ้าเรามุ่งหวังเรื่องลาบเปลืองยศ อยากจะให้คนยกย่องฉลองเสลิมเชิดชูไปทางโลกโลกเราก็ทําแบบโลกโลกมันก็ขวางคนอื่นขวางทำเลยถ้าทําตามทำแล้วไม่มีอะไรจะขวางมิจะถูกเนี่ยราบรื่นไปหมดเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยทําอะไรก็ไม่มีที่รับไม่มีที่แจง้งทําให้สม่ําเสมอทําให้เชื่อมั่นว่า ก, กรรมคือการกระทํา เชื่อมั่นในตนเองว่าตัวเองทําดีแล้วจะไปไหนถ้าตัวเองทําชั่วแล้วจะได้ดีได้ยังไงแต่ถ้าว่าเราเชื่อในการกระทําของตนเองนั่นแหะแปลว่าเป็นพระสมบูรณ์ละงั้นแหลสมบูรณ์แบบเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเดืองศีลและวินัยนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้มีที่ลับอย่าให้มีที่แจ้งให้รักษา กฎหลักพระธรรมวินยัยที่พวกเราได้ยินได้ศึกษาแต่ว่าถึงยังไงพระเก่าเนี่ยผมไม่ให้นิ่งดูดายนะเตียงพระวินัยเนี่ยผมอยากจะให้ศึกษาเกี่ยวกับวินยัยเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกฎมีระเบียบเราจะได้ใช้หลักธรรมวินัยนะั่นแหละมาแนะนําสั่งสอนผูก น้องๆต่อไปลูกศิษย์ลูกหาของพวกท่านทั้งหลายสำหรับผมแล้วก็อายุปูนี้เข้าไปแล้วมีแต่เข้าวัยชราไปเรื่อยๆพวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทดแทนไปเรื่อยๆแต่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ได้รู้หลักพระธรรมวินยัยหลักพระวินยัยก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบกวงกวงมันไม่แน่นมันไม่แก่นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่อง หลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาพวกที่จะอยู่ดำรงทรงศาสนาเนะี่ยให้ศึกษาเรื่องวินัยเนี่ยต้องอ่านอยู่เรื่อยๆต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆอย่างนาวโกวย่ยต้องอ่านให้เข้าใจวินัยมุกเล่มหนึ่งอ่านให้เข้าใจอย่างพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนอย่างนี้ผมอ่านแล้วเข้าใจง่ายถ้าอยากจะอ่านให้ละเอียดเราก็อ่านพระไตรปิฎกชุดใหญ่ ต้องตั้งใจอ่านจริงๆเราจะรู้เรื่องว่าพระวินัยเป็นมาอย่างไงตนต่อของวินัยเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนบัญญัติองค์ไหนกระทาผิดในยุคนั้นๆเราจะรู้ในรายละเอียดพอรู้ในรายละเอียดเลยเราก็รู้หมดเลยทีนี่รู้ตั้งแต่เราศึกษาแต่ทีแรกบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันจะวิ่งหากันเออเป็นอย่างนี้เอง พวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพวินัยเพื่อจะให้พระสงฆ์หยุดด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้มีการทะเลาะเบาแวงกันอันนี้แหะคือพวินัยส่วนพวินัยนั่คือสินสินคือกฎระเบียบนี่คือกฎหมายอันเดียวกันนั่นแหละการจะอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนก็ต้องมีกฎระเบียบเป็นเครื่องบังคับ าาว่าไม่มีกฎระเบียบเป็นเครื่องบังคับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคําทําต่างคนต่างพูดพูดไปคนละทิศละทางใช้ไม่ได้มันไม่ไปแถวแนวเดียวกันทั้งทีมันจะไปแถวแนวเดียวกันมันไปไม่ไปเพราะเหตุไรเพราะต่างคนก็ต่างคิดคิดว่าอย่างนี้มันจะดีแต่ทําม่จริงมันไม่ดีฮก็ต้องมีกฎขึ้นมาอย่าไปทําอย่างนั้นมันไม่ดีนี่คือกฎอันหนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือศีลวินัย ส่วนสมาธิพวกเราพยายามทาจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะนำมาพิจารณาไตรตรองเรื่องภายนอกเรื่องปารการเป็นอยู่หรือเรื่องภายในจิตใจของเราก็จะได้รู้ซึ้งแน่นหนัก ม, มั่นคงเพราะเหตุอะไรเพราะใจของเราไม่วอกแวก จิตใจของเราไม่ปั่นปว่วนจิตใจไม่ลวนเลจิตใจของเราเป็นสมาธิเมื่อปิดใจเป็นสมาธิแล้วนั่นละ่ะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ไปเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าจิตใจของเราแปรปวนรวนเละอยู่เรื่อยๆหาจุดจบหาจุดยืนไม่ได้แต่และวี่แต่และ ว, วันมีแต่ปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดคิดอะไรก็ไม่รู้เข้ามา สติของเราขาดอยู่ตลอดไปล่าเวลามีแต่คิดปรุงออกไปข้างนอกแล้วจะเกิดปัญญาได้ยังไงมันมีแต่เกิดความปรุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดความปรุงฟุ้งซ่านมันเป็นหนทางแห่งความหายนะเป็นหนทางที่จะเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะนั้นเรายินดีอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เหรอถ้าไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามสิ บ, บังคับให้จิตอยู่ในความสงบ พยายามทําจิตใจให้สงบสงบนั่นคืออะไรกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่อันนี้คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นท่านยกจ้องนึกครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ากรรมฐานทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะเปรียบเทียบใส่กันแล้วอานาปานสตินี่แหละ เป็นกรรมาฐานที่เกือบจะถูกกับทุกจริตท่านว่าอย่างนั้นเกือบจะถูกกับทุกจริตแต่ไม่ถึงกับทุกจริตนะเกือบถูกกับทุกจริตพวกราคะพวกโทสะพวกโมหะพวกวิตกจริตอย่างี้ถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยสติสัมปชัญญะที่ลมหายใจเข้าออกรู้เท่ารู้ทันจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจสงบแล้วก็บังคับเรือบบามันถ้ามันออกเองเราจะนํามาคิดพิจารณาได้ก็นํามาพิจารณาแต่บางคนไม่ใช่ทุกคนบางคนพอทําจิตให้สงบแล้วมันติดในความสงบอันนี้เราก็ฟังเอาไว้เราได้ฟังจากครูบาอาจารย์เอาไว้ถ้ามันติดสงบแล้วเหมือนกับเราทานอาหาร แล้วก็ไป น, นอนในห้องแอร์อย่างนั้นมันไม่มีผลงานมันคนนอนอจะมีผลงานได้ยังไงมีแต่ฝันไปเรื่อยแต่ถ้าว่าเราบังคับให้ออกมาทำงานออกมาทำงานคือออกมาจากห้องไปทำอะไรก็ได้มันก็เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินขึ้นมาแล้วก็มีประโยชน์เกื้อกูลหนุนครอบครัวของเราความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ไปได้ ได้ดีแต่ถ้าว่าคนกินแล้วนอนทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีพวกเราคิดดูกันแล้วกันจะมีผลงานอะไรเพอเพลิ<ๆ>มันจะไม่มีอะไรจะกินอีกต่างหากมันมีแต่นอนสงบอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์ถ้าว่าทามันเป็นอย่างนั้นบังคับใจตัวเองให้ออกให้ออกคิดให้คิดให้พิจารณาพิจารณาอะไร ให้พิจารณากรรมฐานห้าอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเบื้องแรกนะทนี่กรรมฐานห้าเกศาโลมานาขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังจารณาอย่างไรพิจารณาหนังทดลองถลกหนังออกดูสิถลกหนังคือเเหมือนกับเหล่าเขาไอ้ช่ำแหละหนังออกหนังวัวหนังควายหนังอะไรนะ่ออกจากตัวของมันนะเราก็สมมติเอาใจของเราสมมุติ จำแหลกหนังออกของเราออกดูสิถ้าจำแหลกหนังออกแล้วร่างกายของเรามีอะไรเราก็ต้องคิดโอ้มีเนื้อเออมีเนื้อเลือดแดงเถื่ออะไรกันนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าจำแหละจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างพวกพวกเราเคยเห็นเขาจำแหละอาจารย์ใหญ่อย่างนี้นถ้าเราเราดูเราเคยเห็นเราจะรู้ได้แล้ว มันเหมือนสัตว์ส า, ายสิงห์จริงๆมนุษย์นะี่ยเมื่อตายไปแล้วหมดสภาพจริงๆตัวของเขาเราเห็นแต่เขาถ้าเราล่ะถ้าเราเป็นไปเป็นอาจาร ย, า ย, ยา์ ใ, ใหญ่อย่างนั้นะอละใครเขาว่าเป็นศพให้เขาสําหลอย่างนั้นแหะเป็นยังไงมันก็เหมือนกันกับเขาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้น พ, พ่อพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าร่างกายเนี่ย ม, มันตายทำไมไม่ใช่ตัวตนของเรา มันหมดสภาพแล้วน่ะพอหมดลมหายใจเข้าออกแล้วนี่ยมันหมดสภาพจริงๆแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าออกเนี่ยอะไรอะไรมันก็คิดว่าเป็นตัวเองทั้งหมดลุ่มหลงมัวเมาอยากจะได้อยากจะดีอยากอะไรทั้งหมดอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะงามอะไรมีแต่อยากทั้งหมดเพื่อร่างกายอันนี้ ความอยากตัวนี้คืออะไรคือใจใจของเราเนี่ยไปคิดไปคว้าเอาไปปรุงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนีน้แต่มันคิดไปในทางมันทางหลงเอคิดเอาเอาความหลงเขาว่าแต่มันไม่ได้คิดตามความเป็นจริงแต่ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้คิดเห็นตามความเป็นจริง ร่างกายของเรามันเป็นอย่างไงถ้ามันเป็นอย่างนี้ตร่จดูสิถ้าเราเราว่าเ อ, อมันงามแต่ทำคำสั่งสอนของพระเจ้าวมันไม่งามเนอมันเป็นอสุภะร่างกายของเรานะไม่ใช่ของจีรังถาวรนะมันใช้ไปช่วงระยะหนึ่งไม่ถึงร้อยปีละก็หมดสภาพแล้วนะอย่างนี้อันนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งสองเงื่อน ทางกิเลสทั้ทงธรรมนะอแต่แหลกใหม่ใหม่ใหม่ๆ ม, มันก็สู้กิเลสไม่ได้เออแต่ขณะพิจรารณามันก็สู้ได้แต่พอออกจากสมาธิมันก็เลื่อนล่างมันก็ไหลกขาไปทางเก่าอีกเราก็ต้องเปลี่ยนสนามรบใหม่เลยทนี่เปลี่ยนสนามรบยังไงในขณะที่อยู่ธรรมดาเราก็นำมาพิจารณาอย่างที่ว่าน แยกส่วนแบ่งส่วนเหมือนกันอถึงจะอยู่ไปเห็นถนนตามถนนหนทางาไปเห็นศัตว์สาลาริสิ่งไปเห็นคู่คนขึ้นมา เ, เราก็พยายามาให้มันเห็นเป็นอสุณพะอย่างที่เรานั่งภาวนาเลยทดลองทดลองดูซิไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนเพราะเราไม่ได้พูดออกจากปาก เ, เราคิดอยู่ในใจสวยงามจริงไหม อ, อสุณพะจริงไหม ดูกำหนดดูได้บ้างเสียบ้างใหม่ๆมันอาจจะสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันอาจจะดึงดูดมันแรงกว่าเพราะมันกิเลสตัวนี้มันติดพบติดชาติมันติดมาตั้งแต่ตัวบุ่งตัวนอนนั่นะไส้ดักไส้เดือนนั่นะมันติดมาการมกิเลสตัวนี้พอจมันถึงเทวบุตรเทวดาก็ยังติดการมกิเลสตัวนี้มนุษย์มันมีแต่พวกสัตว์นรกกับพรมท่าน เพราะสัตว์นรกมันทุกข์เพราะไม่มีโอกาสที่จะคิดเรื่องการ ม, มากิเลตได้มิตรทนทุกข์ทรมานส่วนพรมนั่นก็ท่านวิสวยดสุปีติสุกเอคกคตาทําจิตให้เป็นหนึ่งและท่านอยู่ด้วยฌานของท่านอันนั้นคล้ายๆว่าการ ม, มากิเลตตัวนี้เข้าไม่ถึงแต่ถ้าว่าสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็เรื่องกิเลสการ ม, มาราคาตัวนี้มันเป็นการทิพย์อีกต่างหาก มันเข้าได้ทั้งหมดเพราะนั้นมันการ์มตัว น, นี้มันติดพพติดชาติมันติดจริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณ า, เ, าเรื่องการมกิเลสตัวเนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมจังว่าสัตว์ตวโลกทั้งหลายพูดอย่างนั้นได้สัตว์ตวโลกทั้งหลายขัดข้องหรือติดข้องอยู่เรื่องการมกิเลสแต่เรื่องโทสะอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ไม่ถึงรุนแรงมันร้อนมันไม่เย็นช่ำไม่ไม่ไม่หวานอร่อยเหมือนกับกามกิเลสแต่โมหนะนั่นคือความหลงมันหลงซะก่อนมันจึงรักมันหลงซะก่อนมันจึงโกรธมันหลงซะก่อนมันจึงโลภเพราะนั้นตัวหลงนะเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นอย่างพระอนาคามีท่านตัดกิเลสตัดกามราคะ ราคะขาดกระเด็นออกจากใจของท่านพอกามุกเล็ดกระเด็นโทสาก็กระเด็นออกไปด้วยเหมือนกันโลคโกรธกระเด็นออกไปด้วยยังเหลือแต่หลงคือโมหะตัววิชาตัวโมหะละเอียดอวิชาเนะี่ยยังติดอยู่ในใจของพระอนาคามีจากนั้นท่านก็ขึ้นไปชำระอยู่ในชั้นพรมอวิหาอัตพาส ตุตสาทุตเสียกนิถาพรามห้าชั้นจากนั้นท่านไปชำระอยู่ที่นั่นท่านไม่ลงมาเหยียบเมืองมนุษย์อีกไม่มาเหยียบสวรรค์อีกเางั้นะมีแต่เข้าสู่นิพพานอย่างเดียวคือพระอนาคามีเพราะนั้นเรื่องกามกิเลชตัวนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยสรุปแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เน้นหนัก ให้อดนอนนะให้ผ่ออาหารนะทดลองดูนะถ้ามันเอาไม่อยู่ให้อดอาหารนะอดวันหนึ่งเป็นยังไงอดสองวันเป็นยังไงผ่อนดูเป็นยังไงอดดูเป็นยังไงเราไม่ได้อดเพื่อตายไม่ให้มันตายอดเพื่อสังเกตตัวเองถ้าเราไม่ไม่ได้อดไม่ได้สังเกตตัวเองมันอยู่เป็นวันวันมันไม่ได้นะ พวกกิเลสตัวนี้มันจะเหยียบจิตใจของเราตลอดเวล่ําเพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนักปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาเนี่ยคือให้สังเกตใจใจของเรามันเวียงไปทางไหนเวียงไปทางโทสะหรือเวียงไปทางราคะถ้าเวียงไปทางราคะเราก็กําหนดพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่าเน่ยทะลุหนัง ดูกระดูกใจของเราหลงอะไรในร่างกายของเรามีอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่เข้าไปจนถึงตับลำไส้ในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเป็นของจจรังถาวรใช่ไหมจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายจะไม่แตกไม่ฉลายอย่างนั้นใช่ไหมใจของเราคงจะไม่ยอมคงจะไม่รับถึงขนาดนั้นแต่มันยอมรับว่าสวยงาม พอมันติดพบติดชาติมานมนานแต่พอเราก็พยายามขี้คลายจงพยายามดูดูจุดนี้แหละสรุปแล้วก็คือยื้อกันบางกันเลกิเลสกับธรรมตอนนี้น่มะนนะมันยื้อกันสักก็ยื้อกันบางั้นเบางทีเราก็ยอมแพ้มันดึงไปต่อหน้าต่อตาเราพยายามฝืนมันแต่มันก็สักก็ยื้อไปเพราะทม ในใจของเราน้อยอบางทีได้ร้องหม่มร้องไห้เอ๊ทํำไมใจเราจะเอาไม่อยู่นะแต่บางครั้งก็เออเออเราเอาชนะมันได้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเหมือนกับจะเป็นพระรหันในเร็ววันมั้งกันเถอะ เ, อเกิดขึ้นในจิตใจเออปลอดปลอดโปง่งโล่งจริงๆวะ่ะเออทาเป็นอย่างนี้ไม่นานแล้ววะ เ, เอาชนะน็อกใต้แน่ๆกิเลสจะวะในใจเนะี่ย เออย่างนั้นคือมาแต่อีกสักวันหนึ่งเห็นเผอเพล่แผบเดียวท่านมันสักกะยื้อไปอีกอ้าวทำไมวันนั้นเราว่าจะเอาชนะมันได้แต่วันนี้ทำไมมันยังสู้มันไม่ได้ฮะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละวิธีการสู้สู้กันไปสู้กันมาจนถึงอีกสักวันหนึ่งมันรู้รอบขอบชิดมันรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของมันแล้วมันจะตัดขาดล้วจะปล่อยวางได้โดยเด็ดขาด อยู่ในตัวของเราเองแต่ใหม่ๆเมื่อก็อย่างที่ว่านะลองผิดลองถูกอย่างที่พระพุทธเจา้าที่ท่านไปไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีนะ่ะท่านลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดสู้กันสักกรยื้อกันไปสักกระยื้อกันมาจนผลที่สุดท่านก็รู้ได้ว่ากิเลสมันมาจากไหนนางตัญหาราคาอราดีอยู่ในที่ไหนตัญหาราคาอราดีมันอยู่ในใจท่านก็ดูที่ใจสิ พญามารเสนามารภูกลูกสาวของพญามารที่มาล ก, กวนใจมารคืออะไรคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแหะคือพญามารพระพุทธเจ้าตันรู้จากนั้นท่านก็ใช้ขันติสัจจะขันติด้วยสัจจะด้วยได้ปัญญาด้วยวิญยาความเพียรด้วย ตปะปรทมศีลสมาธิปัญญาเผาเข้าไปเลแต่ผลที่สุด ท, ท่านก็เอาชนะใจของพระ อ, องค์ได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกๆท่านนะที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงจะมีเวลาน้อยก็ให้พยาพยามพยายามอดทนพยาพยามพิจารณาหรือก็พยายามยือ้อย่าไปนอนจมนอนใจอย่าไปคิดว่าร่างกายของเราเนี่เป็นของเราเที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่นะ อีกสักวันหนึ่งเราจะร้องไห้เพราะร่างกายของเรานะเพราะเราจะทุกเวทนาทุกขึ้นมานะโอ้ทาไมมันร่างกายมันจะมเป็นอย่างนี้แต่ขนาดเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอธรรมดาเราจึงรู้สึกแหละโอ้โหตายทำไมเป็นอย่างนี้เราก็พยายามอยากจะให้มันหายอยากพยายามกินยาอันนี้บางทีมันก็หายได้แต่อีกสักวันหนึ่งมันหายไม่ได้ฮวันนั้นอะ วันนั้นะเราจะเป็นทุกข์ขนาดไหนที่มันหายไม่ได้ฮนะทั้งไงก็หมดสุดวิสัยและหายไม่ได้ฮนะวันนั้นล่ะเราจะทุกข์ใจขนาดไหนใจของเราจะทุกข์ขนาดไหนถ้าเราไม่ได้คิดปล่อยวางเอาไว้ถ้าเราไม่ได้คิดรอบคอบเอาไว้แต่เนิ่นๆ น, น, นะถ้าพวกเราคิดตอบครอบแต่เนิ่นๆ เ, เอาไว้แล้วนะั่นเราจะรู้จากวิธีเอาตัวรอดว่าเราจะปล่อยวางอย่างไรเอาตายก็ตายสิวะ ถึงอย่างไรอย่างไรก่อนมันจะตายมันก็จะต้องทนทุกทรมานเป็นของธรรมดาใจไม่ให้มันใจขาดปัดอะไรมันก็มีอยู่แต่ถึงอย่างไงมันก็ทุกในช่วงนั้นแต่ทุกระยะสั้นแต่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นโดยมากมันจะทนทุกทรมานากระเสือกกระสนตะลีตะเหลืออย่างทีวานน่ะนะก่อนที่ใจจะขาดได้ก่อนที่ใจจิตใจออกจากออกจากร่างกายไปได้ แต่ถึงยังไง เ, เราก็ให้รู้เอาไว้ให้พิจารณาไว้่วงหน้าไวอ้อย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นสวรรค์พิมานอย่าไปบำรุงบำรุงบำเลอมันมากจนเกินไปกพยายา็พยายามภาวนาพยายามทำจิตให้สงบกับพิจารณาอย่างที่ว่านั่นอ่ะอีกสักวันหนึ่งถ้าเราหาช่องหาทางพิจารณาอยู่ โดยไม่ลดละนะอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อคิดว่าพวกเราก็คงจะเจอทางเจอหนทางในจิตในใจของพวกเรานี่จิตใจของเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงน็อกกิเลสอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกที่ท่านเคยน็อกมาแล้วผลที่สุดก็เป็นวรมะสุขพอกิเลสออกจากจิตใจใจบริสุทธิ์แล้วนะ ขอให้พวกเราทุกๆท่านเนะ้่ยอยาโชมทุกคนหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ให้ตัอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติมรรคผลผนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านรับรองรับประกันอยู่แล้วพวกเราก็ได้เห็นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลท่านหลวงรับรับขันไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่พวกเราได้เห็น เพราะนั้ น, นมรรคผลนิพพานยุคนั้นสมัยนี้ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะจริงจังมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเท่านั้นนะตอนที่ไปนั่งสมาธิณที่นี่นะ